ขอน้อมน้อมต่อคุณพระรัตนไตรัยโอกาสหลวงพ่อกลมเพื่อนสถามินท่านจเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านเมื่อประมาณวันอังคารอาทิตย์ที่แล้วเนาะก็เกิดมีพายุใหญ่พายุใหญ่นี่ก็ <c oughs> พักนะ พัดเข้ามาอย่างรุนแรงเนาะตอนหนึ่งคืนก็ <c oughs> ทำให้ต้นไม้ต่างๆในวัดเนี่ย <c oughs> ล้มเป็นจำนวนมากเนาะเรีวยกว่าบนบนเขาเนาะได้ไปสำรวจบนเขาก็ต้นไม้ใหญ่ๆซึ่งน่าจะอายุเป็นร้อยร้อยปีใหญ่มาก <c oughs> ก็ล้มลงมานะล้มลงมาไรยต้นเลยนะ <c oughs> แล้วก็ลากที่ มันก็นโดนโคนรนออกมานั้นกระชากใหญ่โตก็มีมีความกว้างมากนะมีเส้นผ่านกลางน่าจะถึง3าี่เมตรเป็นอย่างน้อย <c oughs> แสดงว่าต้นไม้ใหญ่มากจริงๆเนาะแล้วก็รอบรอบรวัดบริเวณด้านหลังที่เป็นรั้วด้า น, ด, า น, ด, านด้านที่อยู่หลังวัดจนไปถึงด้านะตะวันออกนั้นก็ <c oughs> ต้นไม้ก็ล้มกันมากมายนะแทบจะเดินขนาดเดินนี่ก็แทบจะเดินไม่ได้เลยเนาะแล้วก็ในบริเวณวัด ต, ต่างๆก็ต้นไม้ล้มกันเยอะแถวสารานาก็ยังล้มต้นไม้ล้มกันหลายต้นเนาะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอา่ความเสียหายในด้านต้นไม้ล้มเนี่ยน่าจะมาสุดตั้งแต่สร้างวัดมาเนาะแล้วก็ยังมีน้ําท่วมเอ็กไหลไหลแห่งเนะอ่า ทามที่กุฎไม่ทีหรือเคธบาสิกาก็ยังมีน้ําขังกันอยู่ <c oughs> ท, ทั้งที่ช่วงนั้นก็มาสูงก่านั้นเยอะ <c oughs> สูงกระทุกวันนี้เยอะ <c oughs> แต่ก็โดนดูดไปบางส่วนก็ยังมีน้ําขังอยู่หลายๆแห่งเราเราก็น้ําก็ท่วมศาราหน้าด้วยต่างๆเหล่านี้นะอันนี้ก็แสดงถึงความรุนแรงนะของพายุแล้วก็ลมฝนต่างๆ <c oughs> มากมายนะ ก็ทำความเสียหายให้เป็นอย่างมากกนะว่าจะกว่าจะเก็บให้เข้าที่เป็นอย่างเก่าต้นไม้ต่างๆกว่าจะเข้าที่เข้าทางมันอย่างเก่าก็ <c oughs> น่าจะใช้เวลาเป็นเดือนๆเนาะ <c oughs> อันนี้ก็ความเสียหายนี่บางทีกเ็เลยนึกไปถึงต่างประเทศนะอย่างประเทศที่อยู่แบ <c oughs> บบริเวณชายทะเลทั้งหลายหรือเป็นเกาะเป็นแก่ง <c oughs> พวกนี้ จ, จะโดนโดนหนักกว่าเราเยอะนะ ฟิลิปปิน <c oughs> ฟิลิปปินหรือว่าเวียดนามไต้หวันญี่ปุนน่นจะโดนประจำนะพายุในบริเวณมหาสมุทรนะแล้วก็พายุเข้ามาเป็นพายุจริงๆเรายังเป็น depression คือเหมือนกับ ม, มันเบาลงแล้วการเป็น depression เป็นฝนเป็นส่วนใหญ่แต่ที่ตามชายฝั่งทะเลนั้นเขาจะเป็น <c oughs> เป็นพายุยาจริงนะมีความเร็วหลายร้อยกิโลมตต่อชั่วโมง <c oughs> พัดทียก็บ้านเรือนก็เสียหายยิ่งวันนี้เยอะอันนี้ก็ทําให้เห็นสภาพนะว่าเขาก็เสียหายมากจริงๆนะอันนี้ความเสียหายต่างๆเหล่านั้นนะก็เป็นร่องรอยที่ปรากฏอยู่นะคราวนี้นะอะชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะมันจะมีร่องรอยพวกนี้ปรากฏอยู่ท้งุกคนนะเราอาจจะเคยเจอเหตุการณ์ต่างๆมาแล้วในอดีตนะ อ่าความผิดหวังอืความน้อยใจความเสียใจความที่เราพัฒนาเราเราไม่ได้สิ่งเหล่านั้นนะหรือว่าการที่เราประสบอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจต่างๆมีคนมาด่าว่าเรา <c oughs> มีคนมานินทาเรานะหรือว่ามีคนมาพูดให้ร้ายเรานะพูดให้เราเสียหายในเรื่องต่างๆนะสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกับล่องรอยพายุที่มันมันฝากาไว้ในแผ่นดินเนะ ฝากไว้ในแผ่นดินว่าเราแก้เขาแก้ไขเขาได้ไหมเหมือนต้นไม้นี่นะถ้าเราไม่แก้ไขนะอีกสิบปีก็อยู่อย่างเก่ามันมันล้มก็ล้มอย่างเก่ามันไม่วันที่จะกลับมาตั้งตรงอย่างอย่างเดิมได้แน่นอนหรือมันจะไม่สลายไปอย่างรวดเร็วน่นอนนะหรือจริงๆแล้วถ้าไม่แก้ไขอีกยี่สิบสามสิบปีมันก็อยู่แบบเก่านะมันไม่มีทางที่จะสลายไปแน่นอนโดยง่ายๆใช่ไหมจิตใจเราก็เหมือนกันนะมันก็มีล่องลอยพายุเอยมันเคยพัด ซัด ส, สายมาแล้ว <c oughs> อาจจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็แล้วแต่นะแต่มันก็มีลองลอยอยู่แล้วถ้าเราอไม่สามารถที่จะลบเลือนสิ่งนั้นออกจากใจได้มันก็จะไปฝังอยู่ในใจเราอยู่อนานเท่านานเนาะสมัยก่อนก็เคยมีมีเพื่อนก็มาหา <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อนก็บอกว่า <c oughs> เออก็ให้อภัยเพื่อนหนึ่งคนหนึ่งไปแล้วนะอให้ภัยไปแล้วคือ เขาก็เคยมีเรื่องกันมาต้งนานแล้วเราก็มีเรื่องกันมาตลอดแล้วก็เพื่อนนี่ก็วมาหาอาตมาบอกว่าเออให้อภัยเพื่อนในคนนั้นไปแล้วแต่ว่าปรากฏว่าเล่ารายละเอียดได้ต่างๆได้ละเอียดมาก <c oughs> เล่าเลยว่าวันไหนอเขาทําอะไรไม่ดีกับตัวเองนะหรือว่าอทําสิ่งใดเอาไว้นะที่ว่าเป็นสิ่งที่ว่าไม่ดีไม่งามเล่าละเอียดมากเลยจําได้ทุกเรื่องก็เลย ก็เลยทักเขาว่าเนี่ยบอกว่าให้อภัยเขาแล้วนะทําไมจําได้แม่นขนาดนี้จํารายละเอียดได้ทุกอย่างเลยเนี่ย ท, ทั้งทั้งในภานมาต้องนานหลายปีแล้วยังจําได้หมดเลย <c oughs> อย่างนี้แสดงว่าต้องจำเอาไว้ตลอดเลยไม่เคยลืมเลยใช่ไหมเนะี่เราจะให้อภัยเขาจริงๆได้ยังไงเนาะอถ้าให้อภัยจริงๆมันน่าจะต้องลืมไปหมดแล้วลหรือไม่ก็จําไม่เคยได้แล้วนะหรือว่ามันก็คล้ายๆมันก็คงจะไม่ไม่พูดถึงหรือไม่นึกถึงแล้วล่ะ อันนี้ไม่รู้ให้อภัยจริงหรือเปล่าเนอะมันจํำในทุกเรื่องเลยอันนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นข้อคิดในเขาว่าเออถ้าให้อภัยใครจริงๆแล้วเราก็เหมือนกับเราก็ลืมไปนะเราก็ดีลิสต์ดีลิสออกจากคอมพิวเตอร์ก็คือดีลิสตออกจากความทรงจําของเรานะมสมัยก่อนบางทีมีเรื่องต่างๆนะผู้ใหญ่จะเล่าให้ฟังตั้งแต่เด็กโอ้คนนู้นทําไม่ดีคนนี้ทําไม่ดี กับพ่อแม่เราเป็นต้นแล้วก็ให้ลูกหลานจำเอาไว้นะญาติคนนู้นทําไม่ดีหรือคนนู้นทําไม่ดีให้ให้ลูกหลานจำเอาไว้เพื่อให้ลูกหลานนําไปสืบต่อสืบตอนในการจะจําสิ่งไม่ดีไวนะ้อะไรทั้งหลายแหละเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความทรงจำนะที่มันไม่ยอมเลื่อนลบเลือนออกไปจากใจเนาะอันนี้ก็เหมือนกับล่องลอยพายุนั่นแหละที่มันยังทิงท้งซากเอาไว้ไม่ได้เก็บขึ้นมาให้มันเรียบร้อย เป็นปกติอย่างเดิมเนา ะ, นะคราวนี้เราทําไมไม่ไม่จําแต่สิ่งที่ดีบ้างใช่ไหมสิ่งดีๆในะดีก็มีมากมายเราก็ไม่ค่อยจําแต่ชอบจําสิ่งที่ไม่ดีนะเขาว่าบางทีคนที่ทําไม่ดีกับเรานะให้เราลืมไปแต่ใครที่ทําความดีกับเราเพ้เล็กน้อยเราก็ต้องจําเอาไว้นะครับนี้เราระลึกถึงแต่ความดีนะใจเราก็มีความสุขใช่ไหมเราระลึกนึกแต่สิ่งที่ไม่ดีของใครเราก็มีแต่ความทุกข์ใช่ไหม เพราะนั้นใจเราก็ต้องรู้เท่าทันจิตใจเรานะเรื่องอดีตก็แล้วแต่มันไม่เรื่องที่อดีตต่างๆมาแล้วใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วแต่มันที่มันยังอยู่ก็คือความทรงจำเท่านั้นเองความทรงจำในอดีตเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วมันมีั้มมันก็ไม่มีมันมีแค่ความทรงจำเพราะอดีตจริงๆแล้วมันก็ไม่มีนะเมื่อวานมันก็ไม่มีมันมีแต่ความทรงจา <c oughs> มีแต่ความทรงจำเท่านั้นเองใชห่หรืออนาคตก็ไม่มี <c oughs> พรุ่งนี้ก็ไม่มีมันก็เป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองนะเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วมันก็ไม่มีไม่มีตัวตนอยู่แล้วมันที่มันเกิดมาก็เพราะว่าเราเราไปลื้อฟื้นมัน <c oughs> หรือเราไปคิดมันเราไปลื้อความทรงจํามันซึ่งมันก็เป็นการทํางานของขันห้าเท่านั้นเองนะคันห้าไปลื้ออดีตก็เป็นลื้อสัญญามีความไม่พอใจ มีความเสียใจมันก็เป็นเวทนาขึ้นมาแล้วก็ไปปรุงแต่งมากมายก็เป็นสังขารความปรุงแต่งต่างๆก็คือมันขันห้ามันก็ทํางานของมันของมันเองนะเราก็เพียงแต่ไม่ให้ไปให้ค่ากับมันเราก็ไปห้ามมันคิดไม่ได้แต่เราก็เพียงแต่ไม่ให้ไปให้ค่าแล้วก็รู้ทันไปนะเราก็รู้เท่าทันแล้วเราก็ไม่ให้ค่ายอมรับไปนะมันก็ผ่านหมดใช่ไหมสภาว่ามันก็ผ่านที่ว่ามันไม่ยึดติด แล้วก็ <c oughs> ไม่ไปมีความทุกข์ในสิ่งต่างที่มันผ่านมาแล้วหรือว่ายังมาไม่ถึงเพราะสิ่งที่ว่านั้นมันเป็นของปลอมทั้งนั้นนะสิ่งที่เป็นความจริงก็คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนะความปัจจุบันนี่แหละคือของจริงนะปุ้นยังไงว่าทั้งชีวิตของเรานะหรือว่าตลอดชีวิตของเราแล้วเนี่ย <c oughs> มันจะมีแค่ความจริงอยู่ในขณะเดียวเท่านั้นคือปัจจุบันนะ ป, จจนนะปัจจุบันนี่คือความจริงก็คือขณะนี้ ที่นี่เดี๋ยวนี้เท่านั้นเองนะมันชีวิตเรามีอยู่แค่นี้เท่านั้นเองส่วน อ, อดีตเมื่อวานมันก็เป็นแค่ความคิดหรือความทรงจําอนาคตมันก็ไม่มีจริงนะพรุ่งนี้ก็ไม่มีจริงอันนี้หลวข้่อําเขียนผู้เองนะว่าไม่มีครับไม่มีพรุ่งนีน้มันก็เป็นแค่เป็นความคิดเท่านั้นเองนะแต่จริงๆมันก็มีอยู่ขณะนี้ขณะเดียวคือปัจจุบันเนี่ยเพราะนั้นปัจจุบันนี้เรามีอะไรอยู่เราก็รู้ในตรงนั้นเท่านั้นเองนะ อยู่ที่ว่าเรารู้ไหมนะรู้ไหมในขณะปัจจุบันท่านจึงให้กลับมารู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันนะท่าไม่ได้บอกว่าให้กลับไปอยู่ในอดีตหรืออนาคตท่านบอกว่าให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเองอยู่กับความรู้สึกตัวนี่แหละเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วนะอดีตมันก็ผ่านไปอนาคตมันก็ไม่มีนะมันก็ไม่มีอะไรเลยจิตมันก็ผ่านผ่านนะแม้แต่ในปัจจุบันสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเมื่อ5้นาทีที่แล้วนะเช่นใครก็มามาด่าเราเมื่อ5นาทีที่แล้วมันก็ผ่านไปแล้ว มันก็เป็นอดีตไปแล้วใช่ไหมแต่เราก็จะไปหวนคิดอีกเออเมื่อห้านาทีเขาเมาดาเรานี่มาเราไปหวนคิดในอดีตเองแล้วใช่ไหมแต่ไปบันทำไมไม่รู้ว่าขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่เนาะขณะนี้น่ะระลึกได้เอ5นาทีเขามาดาเราเมื่อห้านาทีที่แล้วนี่มันมันคือรู้ในปัจจุบันใช่ไหมรู้ปัจจุบันแต่คําดามันผ่านไปแล้วแต่เรามันระลึกได้เออห้านาทีมันห้านาทีมันก็ผ่านไปแล้วจริงๆนาทีเดียวมันก็ผ่านไปแล้ว แต่เราก็ไประลึกอีกนี่แหละคือร่องรอยที่ว่าเป็นพายุที่มันซัดกระหน่าเข้ามาในใจเราแม้แต่5้านาทีที่แล้วมันก็ยังมีร่องรอยอยู่นะมันไม่ต้องร่องรอยเมื่อสักหลายๆปีก่อนห้าปีสิบปีไม่จําเป็น5้านาทีก็เป็นร่องรอยแล้วใช่ไหมเราเรารู้ทันไหมว่าไอ้ซากต้นไม้นะมันยังอยู่ในใจเรามันไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมมันยังล้มอยู่เลยนะมันไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมคราวนี้ถ้าเราสังเกตตรงนี้ได้มันก็ เราก็รู้ว่าเออปัจจุบันนี้เราควรจะทำอะไรนะอยู่กับปัจจุบันนี่แหละมันก็มีความสุขนะครับตอนที่บวชในไม้ก็มีมีพระองค์หนึ่งก็บวชพร้อมๆกันนะก็เป็นประหลัดอุปโสสนะอะ่กลางมัณฑก็มาหาท่านก็นาตาเศร้าสร้อยเศรื่อ ม, มันเลยนะ่ก็เลยถามว่าเป็นยังไงประหลัดมีความทุกข์อะไรหรือ่นะมาถึงก็ร้องไห้แล้วก็เล่า บอกว่ามันมีความทุกข์นะนี่รู้สึกว่าน่าจะอยู่ไม่ได้แล้วอะไรทั้งนองนี้นะก็เลยไม่เป็นไรลองเล่าให้ฟังเด็กทำมันจะอยู่ไม่ได้นี่มันเพิ่งจะกลางพรรษาเองก็แล้วก็เลยเล่วาว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนก็ไปทําไม่ดีกับผู้หญิงเอาไว้หลายคนนะพอมาเปิดแบบทำแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มันก็รู้สึกว่ามันไม่ไ ม, ไม่ควรไปทําเช่นนั้นมันก็ <c oughs> เป็นสิ่งที่ว่าเรว่าเกิด เ, เกิดความสํานึกได้ว่าไม่ควรจะไปทําสิ่งไม่ดีกับใครเอาไว้ มันก็คงจะเป็ น, ปนบาปเป็นกรรมนะทำให้การบรัตรธรรมมันก็ไม่ค่อยดีอะไรทำลองนี้นะก็มีความทุกข์มากแล้วก็ฉันฉันข้าวไม่ได้ด้วยนะมีแต่ความคิดทั้งวันเรื่องผู้หญิงที่ทำไม่ดีไว้อย่างคิดตลอดเวลาเลยนะมันก็รู้สึกว่าออกจากความคิดไม่ได้ด้วยมีความทุกข์มากแล้วก็ไม่รู้จะทายัางไงนะ ก็เลยบอกว่าเอออย่างนี้ก็แล้วกันนะอย่าไปคิดมันนะมันก็ผ่านมาแล้วก็ไม่เป็นไรมันเป็นสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้แล้วแหละใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เราก็อย่าไปคิดได้ไหมนะเมื่อจะมีความคิดในเรื่องผู้หญิงนั้นก็ก็อย่าไปคิดมันเพราะเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้นะก็เข้าไปในความคิดไปช่วยเขาคิดติดต่างหากใช่ไหมคิดวนอยู่นั้นอ่ะไปคือมันไม่ใช่ความคิดอย่างเดียวแต่เราไปช่วยเขาคิดติดต่างหากไปวนวนวนอยู่มันก็ออกจะความคิดไม่ได้ ครั้ น, นี้ก็แล้วกันนะมันคิดก็ไม่เป็นไรแต่เราจะไปช่วยเขาคิดนะจะไปวนนะดูในความคิดนั้นเราก็หยุดคิดไปนะ <c oughs> อย่าไปคิดต่อน ะ, นะ <c oughs> เขาก็เขาก็เชื่อนะพอดีเขาก็ว่าเออเขาก็เชื่ออยู่ก็ก็ทําก็ไม่ไปคิดอะไรนะแล้วก็ให้พยายามเปลี่ยนอารมณ์ไปจะไปคิดในเรื่องพวกนั้นอพอสองวันก็ก็เจอกันบอกว่าเออเขาก็ดีกันแล้วนะเขาได้ทำอาบูสดแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อ่า ออกจากความคิดได้บ้างแล้วนะแล้วก็มันก็เบาลงไปเยอะนะตอนนี้ก็ค่อนข้างเลย ว, ว่ามีความสุขมากขึ้นนะไม่เหมือนเมื่อสองสวันที่ผ่านมาเนาะอันนี้ก็เกิดจากว่าเขาก็มีร่องรอยเก่าของเขานาะเมื่อโดนลื้อฟื้นขึ้นมาแล้วจริงๆแล้วมันก็มันจะลืมไปหรือว่าอ่ามันจะจมองไม่เห็นนะแต่เมื่อมาปฏิปธรรมแล้วมันจะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วสิ่งหนผิดสิ่งใดงใถูก สิงไหนไม่ควรกระทําก็เริ่มมีจิตสํานึกขึ้นมาว่าเออไอสิ่งนี้มันในเดีกนั้นมันไม่ควรจะทํานะทั้งทั้งในในดีกก็จะไม่รู้นะคือไม่ได้มาไปทำศึกษาอก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันมันทําผิดหรือทําถูกแต่มาตอนหลังเออมันรู้ว่าตรงนั้นมันไม่ถูกต้องนะมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาว่าเออตรงนั้นมันทําไม่ถูกต้องแต่มันก็แก้ไขไม่ได้แล้วเมื่อมันแก้ไขไม่ได้ก็คือแก้ไขในปัจจุบันนี่แหละอแก้ไขดีไม่ได้ก็แก้ไขในปัจจุบันก็คือเราก็ทําใจให้เป็นปกติ ไม่ไปคิดถึงไม่ไปให้ค่าในตรงนั้นแล้วก็ยอมรับไปมันก็ไม่เป็นไรนะตรงนี้ก็หลังนัปหลัดก็เริ่มมีความสุขขึ้นแล้วก็อยู่ได้ตลอดพรรษาต่อมาเนาะเพราะว่าท่านก็สามารถที่จะลบล่องรอยได้บ้างแล้วแล้วก็อยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นเนาะคะะนคนที่มีความทุกข์ส่วนใหญ่คือมันจะไม่ผ่านในตรงนี้นะมันก็บางคนก็ไม่ผ่านนะไม่ผ่านหนักๆเป็นไงมันก็วนในความคิดใช่ไหมเรื่องต่าง นะอาจจะเกิดขึ้นในไปบัลหรือเรื่องเด็กก็ได้เ ม, มื่อมันไม่ผ่านนะจิตมันก็ตันนะก็หาทางออกไม่ได้ก็ไปฆ่าตัวตายก็มีนะมันก็เกิดจากความคิดเ่านั้นแหละคนที่ไปฆ่าตัวตายก็เกิดจากไปวนในความคิดนะวนอยู่นั่นแล้วหาทางออกไม่เจอนะก็เลยไปฆ่าตัวตายเป็นส่วนใหญ่นะแต่ถ้าใครเองที่มีความทุกข์มากๆเช่นนั้นนะไปเปลี่ยนอารมณ์นะนะมีเรื่องอะไรให้ทายุ่ง ตัเมื่อคนจะฆ่าตัวตายนะเอาเอาเชือกที่ยุ่งมากๆเลยเชือกที่มันมยุ่งมากนะแล้วว่ามันแก้แกไข <c oughs> หรือว่าจะให้มันดึงให้มันเป็นอย่างเก่าเนี่ยยากนะให้มันยุ่งมากๆให้กระทานะเขาก็าจะบุ้นวายอยู่กับการแก้เชือกนะให้มันเชือกมันปมนู้นปมนี้ไล่ไปไล่มานะหลังนั่นจะออกจากความคิดได้เลยเพราะมันเริ่มที่จะเปลี่ยนลมแล้วมันเริ่มมาแก้เชือกแล้วมันก็ออกจะลมได้นะ เพราะนั่นคนที่มีความทุกข์นั่นแหละเขาเลกจมในความทุกข์แต่เมื่อไรที่เปลี่ยนเรื่องมาสู่เรื่องอื่นได้มันก็ออกจากตรงนั้นได้เหมือนกันนะเมันก็เราขับรถไปนะอเราเห็นหลุมใช่ไหมเห็นหลุมเนี่ยบางคนไม่รู้เห็นหลุมนะบางทีมันก็มองไม่เห็นว่าหลุมมันลึกหรือว่าไม่ลึกแต่จริงๆมันจะลึกแต่ว่าน้ํามันไปบังเอาไว้นะเราขับไปปุ๊บมันก็ติดหลุมเลยติดหลุมเลยก็อ่าไปต่อไม่ได้ต้องให้คนมาช่วยกันเข็นใช่ไหม แต่เราขับไปปุ๊บเราเห็นหลุมปุ๊บเราต้องประมาณก่อนเออหลุมมันลึกหรือไม่ลึกนะถ้าหากมันไม่ลึกมากแล้วก็ขับได้เลยนะแต่ถ้าเราไม่รู้มันลึกหรือไม่ลึกก็ไม่ควรจะขับผ่านยิ่งช่วงแฉะนะมันจะไม่ผ่านไอ้ล้อมันจะหมุนฟรีแน่นอนนะตรงเนี้ยก็อยู่ที่ประสบการณ์แต่ละคนใชอันนี้เคยประสบการณ์มาแล้วสมัยก่อนที่ขับรถไม่นานมันมันเจอหลุมในตัดใจไม่ถูกหรือไปดีหรือไม่ดีนะบางทีก็ขับอย่างเดียวว่าขับปุ๊บก็ติดลมปุ๊บล้อหมุนฟรีไปไม่ได้ใช่ไหม แต่เมื่อขับหลายๆโหนก็เริ่มรู้แล้วเออจะขับยังไงนะออหลุมมเป็นอย่างไรบ้างต้องสำรวจดูก่อนเพราะไม่มีทางเลี่ยงต้องผ่านหลุมนะต้องดูว่ามันจะผ่านได้ไหมใช่ไหมถ้าผ่านไม่ได้ก็ไม่ต้องผ่านมันนะผ่านไม่ได้ก็ติดหลุมแน่นอนนะ <c oughs> ตรงนี้ก็คือประสบการณ์ที่เราว่าออจิตคนเรานะมันก็ต้องผ่านประสบการณ์เมื่อผ่านประสบการณ์ก็จะมีประสบการณ์ว่าเออตรงนี้เราควรจะไปติดตลมไหมหรือไม่ควรจะติดตลมนะ เมื่อเราสังเกตตรงนี้ได้เขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ของจิตใจประสบการณ์จิตใจนี่เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างสมขึ้นมาในแต่ละคนเนี่ยมาเหมือนกับคนที่จะเป็นหัวหน้าต่างๆนะหัวหน้าในบริษัทต่างๆเนี่ยมันต้องมีประสบการณ์เยอะตั้งแต่เป็นผู้น้อยมาก่อนมาก็เป็นหัวหน้าแล้วก็คือมีประสบการณ์แล้วแก้ปัญหาต่างๆในบริษัทได้นะเพราะจิตใจของเราเนี่ยใช่ไหมเราก็มีประสบการณ์มามากมายเราจจะเคยประสบเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องต่างๆมาแล้ว <c oughs> แล้วเราก็สามารถผ่านมันได้ <c oughs> แตม่มาเจอปัญหาใหญ่เราก็เอาประสบการณ์ต่างๆแล้วนะมาผ่านได้เหมือนกันใช่เนี่ยเราว่าเรามีประสบการณ์ในด้านจิตใจเพียงพอนะแต่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยนะก็บางทีเจอปัญหาเล็กน้อยนะพอมาเจอปัญหาใหญ่หาทางออกไม่ได้ก็คาดาตายไปเลยใช่เหมือนกับบางคนเลี้ยงเลี้ยงลูกใช่อ่าลูกที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีไม่เคยไม่เคยถูกขัดใจ ไม่เคยถูกกระใจไม่เคยพ่อแม่ตามใจทุกอย่าง <c oughs> อยากก็ได้อะไรก็อมอบให้ซื้อใหอ้ตามใจทุกอย่างเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าจิตใจอ่อนแอนะมีแต่มีแต่ถูกตามใจนะพวกนี้พอประสบปัญหาปุ๊บนี่แก้ไขไม่ออกนะพวกนี้มีโอกาสที่เรียกว่าไปเสพยาเสพติดหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายหรือไม่ก็ทําผิดพลาดอย่างใหญ่โตไปได้ง่า ย, ายๆนะแต่ถ้าลูกคนไหนเลี้ยงดูแบบเออไม่ตามใจมากนะ สิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดก็พ่อแม่กล้าสอนตามความเป็นจริงไม่ย่อมตามใจทุกอย่างขัดใจบ้างเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์ในตรงนี้ว่าเออมันมีการที่เรามันไม่ไม่ประสบความสําเร็จที่ว่าเราต้องการนะหรือว่าเราผิดหวังหรือว่าเรามีความทุกข์บ้างอันนี้ก็เรียกว่าสั่งสมประสบการณ์ในจิตใจนะเพราะเมื่อเจอปัญหาใหญ่ๆเขาคนนี้สมมติจะผ่านได้นะผ่านได้ไม่ยากนะเพราะว่าพวกนี้เคยประสบะปัญหาต่างๆเหล่านั้นมาแล้วใช่ไหม เพราะนั้นการปฏิรธรรมมันก็เหมือนกันมันก็คือกลับมาศึกษาและมีประสบการณ์ในแต่ละลมที่เกิดขึ้นใช่ไหมสมัยก่อนเรารู้ไม่ทันอารมณ์นะใครมาว่าเรามานินทาเราต่างๆหรือว่าประสบความผิดหวังต่างๆเราก็จะเสียใจบางทีก็จมในลมเป็นวันๆรู้สึกซึมไปเลยทั้งวันนะรู้สึกเศร้ารู้สึกเคร่งเพียดนะอันนี้คือเราอติดในรม นะแต่เมื่อเรามีประสบการณ์แล้วเรารู้ว่าเออขณะนี้กำลังจะเข้าไปในลมไหมจะติดในลมไหม เ, ออเมื่อเรารู้ทัน <c oughs> ต่างๆแล้วเนี่ยมันก็ออกมาได้เร็วขึ้นนะสำคัญว่าเรา <c oughs> เรารู้เท่าทันไหมอารมณ์ต่างๆนะเราเราจะไปห้ามว่าเออใหญ่เกิดอารมณ์ไม่ได้แต่ว่าอยู่ที่ว่าเรารู้ทันไหมออ ร, รู้ทันแล้วก็ไม่ให้ค่าเ็าไหมเราก็ยอมรับเขาไหมเนี่ยตรงนีเออ้เราก็จะผ่านได้ไม่ยากเข้าม ก็เคยมีนักปฏิบัติคนหนึ่งเขา ก, นะก็ก็จะติดลมบ่อยๆจากการที่ว่าเมื่อก่อนก็ชอบทะเลาะกับลูกเป็นประจำนะอยู่ลูกก็จะทะเลาะทะเลาะลูกเป็นประจำครนะาวนี้ติดลมก็บางทีเป็นวันๆก็มีนะต่อหลังเมื่อมาปฏิบัติธรรมบางแล้วก็จะเริ่มเห็นว่าเออตรงนี้นะเมื่อก่อนทะเลาะกับลูกมันติดอารมณ์ใช่ไหมครนะาวนี้จากการที่มาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันจะรู้เท่าทันความคิดต่างๆได้มากขึ้นนะ เมื่อรู้ทันความคิดต่างๆได้มากขึ้นเมื่อทะเลาะปุ๊บจากเมื่อก่อนที่ทะเลาะไปแล้วเนี่ยมันมันคอยรู้ทันนะคราวนี้เมื่อเริ่มทะเลาะมันจะเริ่มรู้ทันแล้วเอปากมันเริ่มจะว่าลูกแล้วมันเริ่มรู้ทันแล้วเมื่อก่อนปากมันไวนะจะด่าลูกก็ด่าไปเลยนะโดยขาดสติยั่งคิดแต่ตอนหลังเมื่อมีสติแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างเก่านั่นแหละที่จริงๆมันจะต้องด่าลูกเหมือนกับสมัยก่อนแต่ก็รู้ทันแล้วตอนนี้มันมันจะด่าแล้วนะมันรู้ทันฮมันรู้ทันว่าจะด่าแล้ว มันก็เลยเปลี่ยนไปเลยไม่ด่านะเออไปพูดเขาดีๆน ะ, ะตรงนี้ไม่ควรทําแบบนี้นะไม่ควรทําแบบนี้นะหรือจริงๆแล้วที่ทํามามันก็ดีนะแต่ว่าถ้าแก้ไขตรงนี้นิดนึงมันก็จะดีนะคือเปลี่ยนจากการที่คําด่าเป็นคําตักเตือนหรือเป็นคําชมเชย อ, อย่างเงี้ยตรงนี้ลูกก็รู้สึกดีขึ้นนะเออเมื่อก่อนแม่นะตรงนี้พอเราทำงี้ปุ๊บแม่ก็ด่าเลยนะลูกก็เลยแย่ไปเลยหรือว่าลูกก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ตอนหลังทอนเป็นทําเก่าเอ๊ะ ทำไมแม่ไม่ได่ามันยังก่อด น, นะแม่กลับมาพูดดีๆกับเราแม่มาเตือนเราหรือมาชมเตือเราก็มีนะลูกก็สะกิดใจนะสะกิดใจเออแม่เราเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วลูกก็เลยเริ่มปฏิบัติดีขึ้นนะคือมันลูกก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลังนะั้นแม่ก็เห็นลูกเปลี่ยนแปลงแม่ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะแม่ก็จะมาชมลูกบ่อยๆลูกก็เปลี่ยนแปลงแม่ก็เลยดีขึ้ น, ก, ก, น, ก, นก็ไม่ติดลมนะเพราะว่ารู้รู้อะไรรู้ว่าเราจะด่าเขาเขาใช่ไหม แต่มื่ก่มันด่าไปเลยไม่รู้แต่ต่อหลังจะด่ามันรู้นะจะด่าเขามันรู้ทันนะนี่นี่คือประโยชน์ของการมีสติมันรู้ทันอารมณ์ได้ใช่ไหมเนี่ยเพราะฉนั้นมันก็เลยไม่เข้าไปในอารมณ์นะปากมันก็เลยไม่ไวว่าสมัยก่อนใช่ไหมเพราะนักสังเกตนะเมื่อก่อนเราจะเป็นคนปากไวนะปากไวนะเราเราปากไวใครมาด่าเราเราก็ด่าเขากลับนะปากมันไวมากเพราะเรารู้ไม่ท้อทันอารมณ์นะ หรือว่าเราถูกต้องเราไม่ผิดเลยแล้วก็ต้องแก้แก้แก้ตัวแต่ว่าการแก้ตัวนะั้นแหะคนที่เขามาด่าเราเขายังไม่ปกตินะเราแก้ตัวปุ๊บเนี่ยเขาจะได้กกัเราไปเถียงเขานะเขาจะพูดพุ่งมันยังเก่าพูดลุงแรงกว่าเก่าแล้วหาเหตุผลมาให้ชนะเราอีกเราจะแก้ตัวก็กลายว่าเราจะไปชนะก็อีกแทนที่มันกลายเป็นแก้ตัวมันกลายเป็นต่างคนต่างเอาชนะนะมันก็เลยกลายเป็นติดลมทั้งคู่เลยนะครับแต่ในถ้าว่าเราคิดว่าเราถูกต้องแล้ว แต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็ยังไม่ปกตินะเราต้องดูว่าปกติหรือยังถ้าปกติเราก็อธิบายได้แต่ถ้ายังไม่ปกติก็ไม่ได้อธิบายแล้วก็เฉยๆไปก่อนนะเฉยๆไปก่อนลองเขปกติก่อนแล้วค่อยอธิบายเนะี่ยตรงนี้มันก็ไม่กลายเป็นโต้เถียงกันแล้วก็จะยอมรับเหตุผลของเราได้ง่ายเพราะาเขาเป็นปกติแล้วนะเพราะใจที่ไม่ปกติมันจะไม่ยอมรับอะไรง่ายๆหรอกใช่ไหมอย่างเราจะเคยดูในประวัติศาสตร์น ะ, ะบางทีนะกษัตริย์นะอะ กษัตริย์ต่างๆเนี่ยบางทีเรื่องเล็กนิดเดียวเขาบอกว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดกับกษัตริย์เนี่ยอันตรายมากนะคือมันมันดีมันก็ดีนะบางทีก็ได้ลาบยศสันเสริญรวดเร็วหรือว่าอะไรโตเร็วแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆกษัตริย์นี่ถ้าช่วงไหนที่กษัตริย์มีความโกรธมีความไม่พอใจเนี่ยตายง่ายมากเลยโดนประหารง่ายๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีความแปรปว น, นจิตใจของกษัตริย์ก็ไม่ใช่ว่าท่านก็ เป็นปกติได้ตลอดเวลานะบางทีท่านก็มีความโกรธนะโกรธก็รุนแรงปุ๊บไม่รู้ทำใครก็ไปลงโทษนะคนอยู่ ใ, ใกล้ตัวนั่นแหละเพราะคนใกล้ใกลตัวนี่บรรยกาศทําผิดได้ง่ายก็โดนฆ่าโดยประหารบางทีก็โดนประหารเจ็ช่วโคตไปเลยก็มีมากมายใช่ไหมอันนี้เพราะอะไรเพราะว่เาเพราะเขาไม่ปกติใช่ไหมเราจะไปแก้ไขอะไรไม่ได้ใช่ไหมอยู่ที่ว่าอตรงเนี้ยเราต้องปกติให้ได้ก่อนนะเมื่อเราสังเกตความปกติในใจเราแล้ว เ, เ, เราได้แล้วเราก็จะสังเกตความปกติในใจของคนอื่นได้ด้วยใช่ไหม ตรงนี้มันเป็นสิ่งว่าเราก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้บ่อยๆนะก็จะสังเกตอารมืองต่างได้ง่ายขึ้นเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรนะมันก็กลับมารู okay. like. like ้ส yeah. ึกตัวนะเมื่อมีความคิดไปก็กลับมารู้สึกตัวนะมีความคิดหลงไปก็กลับมารู้สึกตัวมีความโกรธก็กลับมารู้สึกตัวมีความรักก็กลับมารู้สึกตัวมีความน้อยใจก็กลับมารู้สึกตัวมีความเครียดก็กลับมารู้สึกตัวมีความรักก็กลับมารู้สึกตัว มีอะไรอะไรก็กลับมารู้สึกตัวเนี่ยก็าเรียกว่าเรามีฐานให้จิตใจอยู่แล้วใช่ไหมอ่าก็คือความลูกต้นเอ ง, เองนะแต่ถ้ามีความคิดก็ไม่มีฐานมันก็ไม่รู้สึกตัวก็ลอยไปในความคิดลอยไปเลยคิดไปเลย5นาทีสิบนาทีชั่วโมง1นชโมงคิดไปเลยมีความโกรธเหมือนกันไม่มีไม่มีฐานความลูกตัวเขาก็ไปเลยจากโกรธเล็กน้อยก็กลายเป็นโกรธมากมายกลายเป็นการอาพาธอาฆาตพยาบาทนะเป็นการที่เรียกว่าแค้นเคืองนะ หรือไม่ก็ไปโดนทํำร้ายก็มีใช่ไหมอันนี้อันตรายมากเพราะว่าใจไม่มีหลักยึด <c oughs> หรือว่ามีความรักก็กลับมารู้สึกตัวใช่ไหมกลับมารู้สึกตัวแต่ถ้าไม่รู้สึ ก, กมันก็ลอยไปเลยกลายเป็นมันก็ไหลไปในลมเลยนะบางทีการอันตรายมากเหมือนกันใช่ไหมผู้หญิงนะบางทีไม่มีหลักตรนี้นะบางทีได้ประสบอะไรนิดหน่อยเออเห็นผู้ชายหล่อหน่อยให้ผู้ชายพูดดีหน่อยก็ไหลเข้าไปเลยหลงขันลมเนี่ยสมัยนีย้อันตรายมาก เด็กผู้หญิงนะเป็นเด็กที่เรียกว่ามีประสบการณ์น้อยใช่ไหมพอโดนอะไรปุ๊บมันก็ไหลเขไป ม, มากมายเขาเรียกว่าเป็นคนที่เจ้าอรมเจ้าลมหมายความว่าอยู่ใต้ลมนะไม่เป็นเจ้าลมคืออยู่ใต้ลมนี่แหละใช่ไหมมันจะอินอินเข้าไปในสิ่งต่างได้ง่ายมากเขาเรียกว่าจิตใจอ่อนไหวใช่ไหมเนี่ยเพราะทุกวันเนี่ยคนจะอ่อนไหวง่ายมากใช่ไหมเพราะไม่มีหลักนั่นเองนะอะ แต่ถ้ามีความรักก็กลับมารู้สึกตัวมันก็เป็นปกติได้ใช่ไหมเนี่ยคือจริงๆแล้วตรงเนี้ยกลับมารู้สึกตัวปุ๊บมันจะปกติได้ทุกอย่างเลยก็ไม่ไหลเข้าไปในความรักความชังความเกลียดความโกรธมันก็กลับมารู้สึกตัวเท่านั้นเองใช่ไหมใจก็ไปปกติได้ง่ายๆนะใจก็ไม่ก็มีความทุกข์เลยนะแล้วก็สังเกตตรงนี้ได้นะตรงนี้มันก็คล้ายๆว่าพายุต่างๆมันก็สงบแล้วเมื่อสงบแล้วเราก็มีความสุขใช่ไหมตอนนี้เราก็มีความสุขเพราะว่าพายุสงบ แต่ตราบใดที่พายุยังรุนแรงยังพัดอยู่มันก็ไม่สงบหรอกเห็นไหมพายุที่รุนแรงก็คือจิตใจที่ปนแปรขึ้นคือลงลงนะคราวนี้บางที่เราไปบวชรรมาตั้งนานลราก็สังเกตได้ไหมใจเราขึ้นคือลงลงปนปุดแปรต่างๆเหล่านั้นน่ะตรงนี้เพราะว่าใจเรายังอ่ามันไม่มีกําลังนะไม่มีกําลังรติที่ว่าจะรู้ทันเขาที่ว่าจิตจะปกติได้อย่างไรมันก็ไม่รู้ทันใช่ไหมเราก็ใจก็เลยปนแปรใช่ไหม พรมันไม่ได้กลับมารู้สึกตัวมันก็ไหลไปนที่ว่าเนี่ยไหลไปไหลไ ป, ไไปมันไม่มีไม่มีหลักของใจนะเพราะนัะกบคควชจะให้กลับมารู้สึกตัวกลับรู้สึกก็คือมีหลักของใจแล้วใจก็ปนแปลก็ไม่เป็นไรแต่เขา ก, กลับมาได้นะเราจะไม่ห้ามว่าอย่าปนแปลอย่ามีลมอย่ามีความคิดไม่ได้หรอกแต่เมื่อปนแปรแล้วต่างๆแล้วเขาก็กลับมาได้เร็วนี่อันนี้ก็คือสติแล้วใช่ไหมสติคือกลับมากลับรู้สึกตัวหรือสติก็คืออะไรคือการระลึกได้นะสติการระลึกได้ สัมมิชนยะคือการรู้สึกตัวนะก็กลับมารู้สึกตัวกลับมาระลึกได้ระลึกได้ว่าอะไรระลึกได้เราคิดไปแล้วระลึกได้กําลังรักกำลังชังกําลังโกรธกาลังเกลียดกําลังน้อยใจกําลังเสียใจนะสัมมชัญญะก็กลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยจิตก็มีกําลังนะมีกําลังในการจะระ ล, so ล luggage, ึกได้นั่นเองนะพรสติสัมมิชนญะมาก็ต้องทํางานคู่กันก็คือสัมมิชนยะรู้สึกตัวลักสติก็เกิดการระลึกได้กําลังทํำไดอยู่กําลังรักกำลังชัง อารมณ์ต่างมันก็น้อยลงเบาลงเนาะตรงนี้เราก็ความทุกข์เราก็น้อยลงเป็นด้วยเมื่อความทุกข์น้อยลงความสุขก็เพิ่มมากขึ้นเนาะในท้ายสุดนี้ก็ขอรัตนาบรรมีคุณพระนรตยน้อมนำทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพานุท่านเทิน